เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้วิธีหาความสุขให้กับตัวเองความสุขที่เราสามารถหาให้กับตัวเองได้นี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันในโลกนี้คือหนึ่งความสุขของผู้ครองเรือนสอง ความสุขของนักบวชซึ่งสองวิธีนี้วิธีหาความสุขทั้งสองวิธีนี้จะแตกต่างกันจึงต้องมาเรียนรู้ว่าวิธีแต่และวิธีนี้ทำอย่างไรบ้างการหาความสุขแบบผู้ครองเรือนนี้จาเป็นจะต้องมีสี่ ปัจจัยด้วยกันคือหนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์เป็นความสุขของผู้คองเรือนสองการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ที่ได้มาสามการไม่มีหนี้สินสี่ การกระทำที่ไม่เป็นโทษกับตนเองหรือผู้อื่นนี่คือวิธีสร้างความสุขของผู้คลองเรือนของคารวาสส่วนวิธีสร้างความสุขของนักบวชก็มีอยู่สามวิธีด้วยกันอยู่สามขั้นตอนด้วยกันคือหนึ่ง การปฏิบัติศีลการรักษาศีลสการปฏิบัติสมาธิและสามการเจริญปัญญาที่เราเรียกว่าไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นวิธีหาความสุขแบบนักบวชของนักบวชนักบวชจะไม่พึ่งพาอาศัยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่าง แต่จะอาศัยการนักษาศีลการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆความสุขของผู้คองเรือ น, นี้ยังต้องอาศัยการมีทรัพย์อยู่เพราะผู้คองเรือนมีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกาย คือจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารไว้รับประทานมีเครื่องนุ่งหม่มไวส้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆมลฉะมียารักษาโรคไว้รักษาพยาบาลร่างกายเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มา ก, ก็เลยเป็นความสุขของผู้คองเองินเพราะจะได้มีความมั่นใจว่าจะไม่อดอยากขาดแคลนจะไม่เดือดร้อนไม่ถูกภัยต่างๆคุกคามเพราะว่ามีปัจจัยมีเงินทองไว้ใช้ใจ่าย ในการเลี้ยงดูร่างกายการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาจึงเป็นความสุขของผู้คองเรือนแต่วิธีการได้ทรัพย์มาหรือการมีทรัพย์ <c oughs> นี้ก็มีวิธีที่ที่ดีและวิธีที่ไม่ดี คือวิธีที่ทำให้เกิดโทษตามมาวิธีที่ไม่ดีก็คือวิธีทำมาหากินโดยอาชีพไม่สุจริตนั่นเองทำอาชีพผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเงินทองที่ได้มานี้จะเป็นเงินทองที่ร้อนที่จะคอยให้ความไม่สบายใจกับผู้ที่หาเงินทองมาใน วิธีที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็จะต้องคอยวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่อาจจะตามมาถ้าทำผิดกฎหมายถ้าถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตารางเงินทองทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็จะอาจจะต้องถูกยึดไป เราคงได้ยินข่าวข่าวอยู่เรื่อยๆถึงพวกที่ทำหมากินแบบชอบ่อกงหลอกลวงประชาชนพอเจ้าหน้าที่จับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางก่อน <c oughs> ยังไม่ได้ตัดสินก็ต้องเข้าไปคุกอยู่ในคุกก่อนแนละ้วแล้วถ้าหลังจากถูกตัดสินว่าผิดก็ต้องอยู่ในคุกอีกหลายปีล้วทรัพย์สินที่ได้หามา ก็จะถูกยึดไปนี่เป็นวิธีที่ไม่ดีวิธีที่เกิดจากการกระทาที่เกิดโทษพระเจ้าทรงสอนว่าจะทํมาหากินทําอะไรก็อย่าทําให้อย่าทําบาปอย่าทําผิดกฎหมายมเพราะเป็นการกระทาที่เกิดโทษจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสุขใจขึ้นมา ให้ทําโดยวิธีที่ไม่เกิดโทษคือด้วยการทำอาหากินซื่อสัตว์สุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ทําด้วยการฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์หรือประพฤติผิดประเพณีหรือโกหกหลอกลวงการกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําที่ ปลอดภัยทำแบบซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดกฎหมายทำอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวของไป <c oughs> รายได้อาจจะไม่ไม่มากไม่เร็วเท่ากับการทำมาหากินแบบทุจริต <c oughs> แต่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อนไม่กมังวล จะทาให้ใจมีความสุขเวลาได้ทรัพย์มาเพราะเป็นทรัพย์ที่เย็นไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ร้อน <c oughs> นี่คือวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราได้ทรัพย์มามีทรัพย์เกิดขึ้นมาที่ไ ม, ไม่ที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจอีกวิธีหนึ่งก็คือ ทรัพย์ที่ได้มานี่ได้มาด้วยผลอ น, นิสงของผลบุญที่เราเคยทํามาในอดีตชาติถ้าชาติก่อนเราเคยทําบุญทําทานมาอยู่เรื่อยๆชาตินี้โอกาสที่บุญที่เราได้ทําก็อาจจะส่งผลขึ้นมาก็ได้โดยที่เหมือนเป็นส้มหลน่นอยู่ดีๆเงินทองก็ไหลามาเทมาโดยที่เราไม่ต้องไปดินน้นรนไปค้น ไปขวนขวายไปหามันถึงเวลามันจะมาก็มาเองหรือได้มาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยคนที่ได้มาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยนี่เหตุอันหนึ่งก็อาจจะเป็นเหตุที่เกิดจากการเคยทําบุญมาในอดีตชาติเช่นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก่อนที่ท่านชาติกรก่อน กอนที่ท่านจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธาทาัตถะชาติก่อนท่านเคยเป็นพระเวชสันดรมาก่อนคราวที่เป็นพระเวชสันดรถ้าท่านกับบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างเต็มที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะแบ่งปันที่จะเสียสละให้กับผู้ได้ท่านก็ยินดีไม่มีความหวงไม่มีความเสียดายในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นเลย พอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ไปรับผลบุญของทานที่ท่านได้รั์ได้ทํเอาไว้แล้วพอท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกุมารเป็นลูกของพระราชามหากรย์ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีปร า, าสาทสามฤดู ให้อยู่าสัยมีอาหารการกินแบบหรูหลาแบบฟุ่มเฟือยมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสจะดูละครจะฟังอะไรก็มีให้ฟังให้ดูอยู่เรื่อยๆ <c oughs> อันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้เวลาผู้ที่ได้เคยทำบุญในชาติก่อนมาเกิดในพบนี้ชาตินี้ก็จะ มาเกิดสุขสบายถ้าเกิดกับครอบครัวยากจนแต่เวลาไปทำมาหากินก็อาจจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการทำมาหากินที่สุดจริตไม่ใช่เป็นการทำมาหากินด้วยด้วยทุดจริตผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเพราะคนที่มีทานบารรมีมานี้จะไม่ชอบทำบาปอยู่แล้วจะทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุดจริต วิธีทำบาปทาผิดกฎหมายก็จะไม่ทำ <c oughs> นี่คือความสุขข้อที่หนึ่งของผู้ครองเรือนคาราวาผู้ครองเองือนถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขก็ขอให้เราหาทรัพย์สินเงินทองมาโดยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ไม่เกิดโทษวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปรับผลวิบากของการกระทำผิดผิดกฎหมายก็ถ้าถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตารางทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็ถูกเขายึด ค, คืนไปผิดศีลผิดธรรมตายไปก็ยังต้องไปใช้โทษต่อในอบายยังไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้าง เป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วพอพ้อนบาปมาถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยแต่ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ด้อยอาภัพวาสนาบรารมีเกิดเป็นคนยากจนเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสมี โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอาการอาจจะไม่ครบสามสิบสองอายุไม่ยืนยาวนานอายุสั้นนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำมาหากินโดยทุจริตผิดศีลธรรมอย่าทำหาทามาหากินแบบนี้พอชีวิตเรายังต้องไปต่อหลังจากพบนิชาินี้แล้วเราไม่ได้จบ ถ้าเรายัางไม่ได้ไปถึงพระนิพพานนี้เรายัางต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราทำบุญทำความดีเราก็จะมาเกิดดีถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมเราก็จะมาเกิดไม่ดี <c oughs> นี่คือการมีความสุขของผู้เคาว่า จ, จากการมีทรัพย์หรือจากการได้ทรัพย์ ความสุขข้อที่สองของผู้ครองเรือนก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่มีมาหรือที่ได้มานั่นเอง mm hmm. เพราะว่าถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ใช้ทรัพย์มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร mm hmm. มีทรัพย์ก็ต้องใช้ทรัพย์ mm hmm. การจะใช้ทรัพย์ให้เกิดสุขก็มีวิธีของเขา และก็การใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็มีเหมือนกันฉะนั้นก็เราก็ต้องรู้วิธีใช้ทรัพย์ที่ถูกต้องไม่เกิดโทษกับเราคือใช้ทรัพย์เพื่อไปทับนู่นบำรุงร่างกายของเราชีวิตของเราเอาไปใช้กับปัจจัยสี่ อ, อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศาัยารักษาะโลกตามกำลังของทรัพย์ที่เรามีอยู่ เนื้อตามหลักนักน้อยสันโดษเพราะว่าการใช้ทรัพย์แบบมักน้อยสันโดษนี้จะทําให้ทรัพย์ของเราที่มีอยู่นี้อยู่ได้นานกว่าการใช้ทรัพย์แบบฟุฟ้งเฟ้อเห่อเหอแบบสุรุ่ยสุรายแบบอแบบหรูหรา ผลที่ได้จากการใช้ทรัพย์เพื่อโดยโดยหาปัจจัยสี่มานี้เหมือนกันคือรักษาดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้เหมือนกันใช้ทรัพย์แบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยหรือใช้ทรัพย์แบบมักน้อยสันโดษประหยัดมัธยัตก็เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันต่างกันตรงที่ทรัพย์ที่มีอยู่ จะหมดไปเร็วหรือหมดไปช้าเท่านั้นเองถ้าใช้แบบประหยัดมัธยัสถ์ซับที่มีก็จะจะหมดไปช้ากว่าการใช้ซับแบบรูหลาแบบฟุ่มเฟือยดังนั้นควรจะใช้ซับเลี้ยงดูร่างกายแบบนักน้อยสันโดษจะดีที่สุดเคย ใช้แบบไม่น้อยใช้แบบของที่ไม่ต้องมีราคาแพงๆที่ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเช่นอาหารมื้อละร้อยบาทกับอาหารมื้อละห้าร้อยมันก็เป็นอาหารเหมือนกันเลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันไม่ต่างกันดับความหิวได้เท่ากันทําไมต้องไปเสียเงินมากกับผลที่ได้เท่ากันให้ใช้ปัญญาพิจารณา เวลาใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขกับเราถ้าเราใชน้น้อยใช้เท่าที่จำเป็นไม่ให้ถึงกับตันหีขี้เหนียวใช้ให้แบบพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านรอเก้าท่านตดว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องหรูหราฟุ่มเฟือย เพราะว่าผลที่ได้รับมูลเท่ากันแต่ผลที่จะเสียก็คือเสียทรัพย์มากกว่าโดยไม่จําเป็นวิธีใช้ทรัพย์ต้องรู้จักใช้นอกจากการใช้ทรัพย์เพื่อเอามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราก็ยังต้องแบ่งทรัพย์ไว้อีกส่วนหนึ่งไว้สําหรับเวลาที่เราอาจจะเกิดขาดรายได้ขึ้นมา เพราะชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนเศรษฐกิจดีขึ้นมีลงเช่นในช่วงโควิดนี่เศรษฐกิจร้านค้าต่างๆปิดไปเป็นเป็นร้านล้านเนี่ยคนตกงานกันเยอะถ้าไม่ได้เก็บเงินเก็บทองสำรองเอาไว้ก็จะไม่มีเงินทองไว้ใช้ใจ่ายครับ สิ่งที่จำเป็นคือการเลี้ยงดูร่างกายดัง้เราต้องมีสำรองเงินไม่ส่วนหนึ่งการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์นี้ต้องแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันใหญ่ๆส่วนแรกก็เอามาใช้กับการใช้ปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายแบบมักน้อยสันโดษแบบประหยัดมัธยัยัดแต่ไม่ตนนีไม่ขี้เหนียว ใช้ตามความจำเป็นใช้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ต้องรู้หลาไม่ต้องฟุ้งเฟอ้อเหอเหอไม่ต้องไม่ต้องฟุ่มเฟือยเพราะผลในการเลี้ยงดูร่างกายได้เท่ากันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้แบ่งเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเราอาจจะตกงานก็ได้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทำงานทำการได้ หรือมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมจากการที่ต้องรักษาพยาบาลน่างกายถ้าเราไม่มีเก็บสำรองไว้เลยมันก็จะทำให้เราตกทุกข์ลบากได้แล้วส่วนที่สามที่ควรจะแบ่งเอาไว้ก็คือแบ่งเอาไว้ทำบุญทำทานบ้างเพราะว่าเราต้องลงทุนเพื่ออนาคตของเรา การทำบุญทําทานนี้ไม่ได้เป็นการศูญย์เปล่าแต่อย่างใด mm. ขอให้เรามาองว่ามันเป็นเหมือนกับการลงทุนเพื่อพบหน้าชาติหน้าที่จะดีกว่าพบนี้ชาตินี้ mm. หรืออย่างน้อยก็ให้มันเท่ากับพบนี้ชาตินี้ mm. ถ้าเราเคยทำบุญมาในอดีตชาติชาตินี้เราก็ควรจะทำบุญต่อไปถ้าเรามีนิสัยชอบทำบุญก็ทำไปอย่าไปคิดว่าเป็นเงินศูญย์เปล่า แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีของเราต่อไปเพราะว่าเรายังต้องกลับมาเกิดอีกถ้าเรายังไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานเรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นการกลับมาเกิดของเราแต่ละครั้งก็ขอให้เรากลับมาเกิดแบบสุขแบบสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนจนเกินไป ด้วยการหมันทำบุญทำทานให้เป็นนิสัย<ม>แ บ, บ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการทำบุญนี่คือการใช้ทรัพย์แบบทำให้เกิดความสุขขึ้นมาใช้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพื่อปัจจัยสี่ใช้สำรองเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าอาจจะทุกข์ยากเดือดร้อนขาดอัจตะคัดขาดสนขาดรายได้ <c oughs> แล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับทาบุญทาทานไว้สำหรับพบต่อไปที่จะตามมามวิธีใช้เงินที่เป็นโทษ<ม>คืออะไรอย่าไปใช้ก็คือวิธีใช้เงินแบบฟุ่มเฟืยอยหรูหลาใช้ของที่มีราคาแพงๆเพื่อจะอวดร่ำอวดรวยให้ชาวบ้านเขาเห็น ม, ม, มันเป็นความสุข ชั่วคราวในขณะที่ได้ใช้ไปใช้ไปแล้วเดี๋ยวเงินก็หมดเงินหมดแล้วทีนี้ก็จะต้องขายของข้าวของที่ซื้อมาไปอย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยเพราะเงินทางที่หามาได้มันจะหมดเร็วแล้วอาจจะทำให้ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำาคืออาจจะไปทำผิดกฎหมายไปทำบาปทากรรมเพื่อหา รายได้มาเพิ่มหรือไม่ฉช่นนั้นก็ไปเป็นไปกู้หนี้ยืมสินไปเป็นไปไปสร้างหนี้ให้กับตนเองซึ่งเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขของผู้คลองเรือนข้อที่สามก็คือความไม่มีหนี้นั่นเองไม่มีหนี้สินเวลาเราไม่มีหนี้สินนี้เราจะรู้สึกสบายใจไม่มีความกังวลว่าจะต้องเอา เงินไปใช้หนี้ที่เราไปกู้เขามาหรือถ้าเราไม่ไปใช้เขาเดี๋ยวแล้วเขาก็จะตามมาเก็บตามมายึดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นั้นอย่าใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยหรูห ร, หราแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรม แล้วก็อย่าใช้เงินไปกับความสุขที่เป็นค ว, ความทุกข์ความสุขที่เป็นความทุกข์เป็นอย่างไรก็เือการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆเช่นไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นการใช้เงินที่ไม่ฉลาดเพราะว่ามันจะทำให้เงินทองหมดได้เร็ว แล้วก็จะทำให้ติดจะต้องต้องมีจะต้องมีดูมีฟังมีกินมีดื่มมีเที่ยวอยู่เรื่อยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดของใจพอเสพแล้วมันจะติดพอเวลาไม่มีเงินที่จะไปใช้กับสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้ต้องไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมไ้กู่นี้ยืมสินนอกจากการ ใช้แบบแบบนี้แล้วก็ต้องดิกเรื่องการเสพอบายามุขด้วยใช้กับอบายามุขเช่นใช้กับการไปดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติดต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวกลางคืนการใช้เงินทองแบบนี้มันจะทำให้เงินทองที่มีอยู่นี้หมดไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้ต้องมากู้หนี้ยืมสิน มาสร้างความทุกข์หรือไม่ใช่นนั้นก็ต้องไปกระทำการกระทำที่เกิดโทษขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้เงินทองแบบเหตุมีมีเหตุมีผลใช้แบบมัธยัตประหยัดมัธยัตแบบแบบมักน้อยสันโดษเราก็จะไม่ต้องไปทำในสิ่งที่จะเป็นโทษกับเราหรือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกับเรา ชีวิตของเราแบบคารวะก็จะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขไปจนวันตายตายแล้วเราก็ไปสวรรค์จากสวรรค์เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างน้อยเราก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดในสุขคติไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องกลับมาเกิดแบบคนที่ตกทุกข์ได้ยากเอาภาพวาสนาะ กลับมาแล้วก็มาทํำบาปทากรรมใหม่เวียนว่ายตายเกิดในทุกขติใหม่ตายไปก็ไปเกิดในอบายใหม่แต่เรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆของการมาเกิดมาเกิดก็ต้องมีเจอกับความแก่ทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตาย ทุกข์กับการพัาดพลาดจากสิ่งที่เรารักแบบุคคลที่เรารักทุกข์กับการที่จะต้องเจอกับบุคคลหรือสิ่งที่เราไม่ชอบไม่รักไม่ชอบแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโลกนี้มันเป็นแบบนี้มีทั้งสิ่งที่เรารักและชอบและมีสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบที่เราไม่สามารถไปบังคับไปสั่งไปห้ามไม่ให้เขามาหรือไม่ให้เขามาได้หรือ拜拜 สิ่งที่เรารักเราจะสั่งให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่จากเราไปก็ไม่ได้อันนี้เป็นเป็นผลจากการที่เรามีความสุขแบบคารวะอยู่แบบคารวะอยู่แบบมีความสุขแต่เรายังจะต้องเจอกับปัญหาของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย เราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด<ม>เราก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชไ<ม>ปหาความสุขแบบนักบวช<ม>ความสุขของนักบวชนี้เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญา<ม>ที่จะทำให้ใจสงบลังงับจากความโลภความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่พาให้ใจวุ่นวายที่ทำให้ใจไม่มีความสุข ที่เป็นเหตุที่จะทำให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราเห็นโทษของการอยู่แบบผู้ครองเรือนว่าจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยากจะไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้ากับพระอรันตสาวกทั้งหลาย เราก็ต้องมาปรับวิธีการหาความสุขของเราเบื้องต้นเราอาจจะเอาวันหนึ่งเช่นวันพระหรือวันหยุดทำงานของเรามาหาความสุขแบบนักบวชกันคือยุติการหาความสุขจากการไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็เอาเงินทองที่หามาได้ไปใช้ไปเสพกับ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาอยู่แบบนักบวชคือมาระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเจริญในคขมมะปฏิบัติในคขมมะคือออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมาถือศีลแปดการถือศีลแปดนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นการไม่กระทำบาปคือศีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่โกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นข้อห้ามไม่ให้ไปทำบาปส่วนข้อการไม่ประพฤติผิดประเพณีการไม่ประพฤติผิดในการมถ้ามาถือศีลแปดก็ต้องมาถือเป็นอบ ร, รัมจริยาคือการประพฤติพรหมจรรย์ควรจะไม่ร่วมหลับนอนกับใคร ไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันถึงเราต้องมาอยู่แบบนักบวชนักบวชไม่หาความสุขจากการน่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนคู่ครองของตนแต่จะ เ, เวลานี้ไปให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบไปเอาเอาเวลาไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา สินข้อแปดสิินแปดีกับสินห้าต่างกันตรงสินข้อสามนี้สินห้าไม่ประพฤติผิดในกรรมสินข้อแปดสินแปดนี้ไม่ประพฤติไม่ไม่ไม่ร่วมหลับนอนกันคือให้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มารังับการหาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเข็ ไม่มีเหตุไม่มีผลดื่มตามความอยากรับประทานตามความอยากซึ่งเป็นตัวที่จะทําให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายอยู่เรื่อยๆต้องคอยกังวลต้องคอยหาเนื้ออาหารมาคอยกินมาคอยดื่มอยู่เรื่อยๆก็ให้มาถึงศีลแปดให้กินให้ดื่มเพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็พอก็คือวันหนึ่งไม่เกินสองมือ้อมือหนึ่งหรือสองมื้อก็พอ ม่นคือไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วในเรื่องการดื่มการรับประทานอาหารต่างๆถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหารถ้าหิวน้ำก็ให้ดื่มน้ำเปล่าไป<ม>เพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำเปล่าเท่านั้นเองไม่ใช่ร่างไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีรสมีสีมีกลิ่นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นกามาฉันทะ<ม>เป็นความอยากของกิลเลสเหมือนกันที่เราจะต้องคอยกาจัด อันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่กินอาหารแล้วจนถึงวันรุ่งขึ้นถ้าจะหิวน้าก็ให้ดื่มแต่น้ำเปล่าไปไม่ต้องดื่มน้ำชากาแฟถึงแม้จะไม่ห้ามก็ตามแต่มันเป็นกิเลสมันจะทำให้ใจเราคอยพาวะพวาคงคอยคิดถึงเครื่องดื่มเหล่านี้จะทำให้ไม่ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเจริญสติไปนั่งสมาธิสิ่ข้อหก แล้วก็สินข้อเจ็ดก็ไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยจากการดูดูภาพยนต์ดูมหัศลุกบันเทิงต่างๆรวมไปถึงการร้องลํำทำเพลงแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายอาบน้ำล้างหน้าให้สะอาดหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายชุดขาวชุดดา ดำขาวก็ได้ชุดขาวก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากจะได้มเอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อทำใจให้สงบลั่งรับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆแล้วก็สินข้อที่แปดก็คือไม่ให้นอนมากเกินไป วิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปก็ให้นอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาะๆนะอย่าไปนอนบนเตียงสาําราบที่จะทำให้นอนมากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายร่างกายเวลาง่วงมากๆนี่อยู่ที่ไหนก็นอนหลับได้พื้นจะแข็งพื้นจะนุ่มก็ไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อย่ไงใดเวลาเราง่วงมากๆนี่มันอยู่ที่ไหนก็หลับได้ แต่พอร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วสี่ห้าชั่วโมงนี้ถ้านอนบนฟูกหนาๆที่มันสุกมันสบายใจจะไม่อยากจะลุกใจบอกขอต่ออีกสักสองสามชั่วโมงก็จะเสียเวลามีค่าไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็มันจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมา เดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมต่อไปนี่วิธีอยู่ของนักบวชมันจะต้องอยู่แบบทุกข์ถึงจะได้ความสุขความสุขของนักบวชนี้มันต้องผ่านด่านคือความทุกข์ต่างๆก่อนความทุกข์ที่เกิดจากการต้องมารักษาสินระงับการกระทําตามความอยากต่างๆแต่เพื่อความสงบสุขที่จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก่อนจะได้ความสุขแบบนี้ก็จะต้องผ่านความทุกข์ด่านของการรักษาศีลแล้ด่านของการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเป็นขั้นๆไปแต่เมื่อได้มาแล้วมันจะคุ้มค่าเหนยจะไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกว่าได้ขาดได้ขาดทุนแต่จะรู้สึกว่าได้กำไรลงทุนลงทุนกับความทุกข์แบบนี้แตไ่ได้ความสุขแบบแบบมหาศาล ความทุกข์ที่ลงทุนไปเมื่อเรารักษาสิงแปดได้แล้วมีเวลาว่างหรืเราต้องทําในวันที่เราไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเช่นวันหยุดทํางานของเราถ้าวันไหนเป็นวันหยุดเราก็เอาวันนั้นเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันพระของเราไปสมัยนี้เราหยุดวันสาวาทิศซึ่งมักจะไม่ตรงกับวันพระที่ทางศาสนากําหนดไว้ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญ ประเด็นสำคัญของวันพระก็คือวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเพื่อเราจะได้เอาเวลาว่างนี้มาให้กับการฝึกฝนอบรมอยู่แบบนักบวชนั่นเองถ้าเราไม่เริ่มต้นแบบนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะเริ่มต้นได้เลยเพราะงั้นเราต้องมีก็ต้องมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าชีวิตของเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราจะต้องมีการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวัน ตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดวันพักขึ้นมาแบบลอยลอยแบบโกโก้หรูหรูแต่เป็นวันที่ท่านต้องการให้พวกเราที่เป็นาาคารวะทุกครองเลือนที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้มาปฏิบัติอยู่แบบนักบวชหาความสุขแบบนักบวชเพื่อที่จะได้เป็น การก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนั่นเองเราต้องมาฝึกเป็นนักบวชก่อนเพราะเรายังไม่สามารถไปบวชได้ทันทีทันใดเพราะว่าเรายังมีภาระต่างๆยังมีบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่ต้องดูแลกันอยู่แล้วก็มีกิเลส ท, ที่มันจะคอยดึงให้เราให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้ เราก็เลยต้องใช้วิธีแบบทำจากน้อยไปก่อนตอนต้นเราก็เอาวันหนึ่งก่อนเอาวันพระหนึ่งวันหนึ่งคืนตั้งแต่เช้ามืดจกนกระทั่งถึงเช้ามืดวันรุ่งขึ้นยี่สิบสี่ชั่วโมงให้เป็นวันที่เราจะอยู่แบบนักบวชกันเราจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่เอาเวลาไปหาเงินหาทอง เราจะเอาเวลามาหาสติหาปัญญากันหาสมาธิกันเพื่อที่จะทำให้ใจเราสงบมีความสุขแล้วเราจะได้อาศัยความสุขนี้เป็นเครื่องอยู่ของเราต่อไปถ้าเราสามารถสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องพึ่งเงินทองอีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องพึ่งเงินทองเราก็ไม่ต้องอยู่แบบ เป็นคาลาวาะเราก็สามารถไปบวชได้ไปอยู่แบบนักบวชได้ไปปฏิบัติไปกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นให้มันหมดไปจากใจของเราได้แล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นิพพานนิบานังปรมังสุ ข, ขัง ได้ความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานเพราะว่าเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปเพราะจะไม่ต้องมีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานขึ้นสวรรค์เป็นความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวบุญที่ส่งขึ้นสวรรค์หมดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วก็จะกลับไป ขึ้นไปสวรรค์ใหม่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วแล้วพอใช้บุญที่ที่ส่งขึ้นไปในสวรรค์หมดลงก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่เราเจอกันอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าเรายังอยู่แบบผู้ครองเรือนอยู่เรายังอยู่กับการมีทรัพย์จากการใช้ทรัพย์อยู่กับการเสพความสุข อากรูปเสียงกลธธิ่นรสผลสะพัสชนิดต่างๆอยู่นั่นเองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เราก็ต้องไปหัดอยู่แบบนักบวชกันนักบวชนี่เขาไม่หาความสุขจากการมีทรัพย์ใช้ทรัพย์ไม่หาความสุขจากการหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกเขาจะไปหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบ แล้วฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่กิเลสตัณหาต้องการนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่าเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของสมบัติของใครไม่มีใครสามารถเอามาครอบครองไว้เป็นสมบัติของตนเองได้ไปตลอดดังนั้นเบื้องต้นก็ต้องมีวันพระก่อน ขอเรากําหนดวันพระของเราขึ้นมาซึ่งไม่จําเป็นจะต้องตรงกับวันพระของทางทางศาสนาที่เขากําหนดขึ้นมาเพราะอันนี้มันเป็นแบบโบราณสมัยก่อนวันพระนี้เป็นวันหยุดทํางานเพราะสมัยก่อนประเทศเราไม่ต้องไปติดต่อกับต่างประเทศไม่ต้องทํามาค้าขายกับต่างประเทศเราก็เลยสามารถหยุดตามวันพระของเราได้แต่สมัยปัจจุบันนี้ การค้าของเราเริ่มไปติดต่อกับต่างประเทศกันมากขึ้นการธนาคารการอะไรต่างๆนี่ต้องมีการปาะสารกันซึ่งต่างประเทศเขารับถือศาสนาอื่นศาสนาของเขาให้หยุดทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็เลยมีวันหยุดทํางานในวันเสาร์อาทิตย์เราก็เลยต้องทําตามเขาถ้าเราอยากจะทํามาหากินกับเขาเพราะถ้าเราไปหยุดวันพระวัน เราก็จะไม่สามารถทำมาอาคีของเขาได้สะดวกวันที่เราไม่หยุดเขาหยุดวันที่เราหยุดเขาไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นก็เลยต้องปรับวันหยุดให้ตรงกับของเขาเป็นแบบสากลการหยุดแบบสากลก็คือหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ในยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับวันพระของเราให้ตรงกับวันหยุดของเราถ้าเราหยุดสะดวกที่จะหยุดวันวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ มาให้กับการมาอยู่แบบผู้แบบนักบวชนะมาหาความสุขจากการมาเจริญสตินั่งสมาธิจากการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมานะด้วยการรักษาศีลแปดนับนับตั้งแต่เช้าขึ้นมาเลยเช้าของวันนี้ทางศาสนานี้วันวันเริ่มต้นนี้เริ่มต้นที่เวลาตอนเช้าตอนสว่าง พอสว่างก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วก็จะหมดวันนี้ไปก็ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าของวันใหม่งจ่เรียกว่าหมด1นวันกับหนึ่งคืนเอาเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนหรือ24ี่ชั่วโมงนี้มาให้กับการอยู่แบบนักบวชกันมารักษาศีล8กันแล้วก็มาเจริญสติเพราะว่าก่อนที่เราจะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ เราจำเป็นจะต้องมีสติไว้คอยหยุดความคิดต่างๆก่อนถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดไม่สามารถหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะไม่นิ่งจิตก็จะไม่สงบจะไม่เข้าสมาธิจะไม่เข้าฌานได้จะไม่ได้พบกับความสุขที่จาทําให้เราสามารถอยู่แบบนักบวชได้ งานสำคัญที่สุดในการอยู่แบบนักบวชหาความสุขแบบนักบวชข้อที่หนึ่งก็คือการเจริญสติเราต้องเจริญสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลานอนหลับเลยเพราะว่าใจเราคิดทั้งวันทั้งคืนพอเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาปั๊บก็เริ่มคิดละคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปเรื่อยเปื่อย คิแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์มุ่นวายต่างๆตามมาบางทีก็ถึงกับฟุง้งซ่านบางทีก็ถึงกับเครียดถึงกับวิตกกังวลหวาดกลัวห่วงห่วงใหญ่เรื่องราวต่างๆ mm hmm. เราสามารถระงับความคิดเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญสติสติแปลว่าการระลึกรู้ mm hmm. ให้ร ะ, ะลึกรู้อยู่กับอะไรให้ร ะ, ะลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานกรรมฐานก็คือ อารมณ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเอามาใช้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องผูกใจเครื่องดึงสติไว้ไม่ให้ใจลอยไปไปกับความคิดต่างๆ mm hmm. ใช่ไหมเราเลิกถึงพพระพุทธเจ้า mm hmm. เรียกว่าพุทธานุสติให้มีสตินำเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไป mm hmm. นอกจาก เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราจะใช้เราเลิกถึงพระธรรมก็ได้ด้วยการบริกรรมธรรมโอธรรมโอไปถ้าเราอยากจะเลิกถึงพระสงฆ์ก็สังโฆสังโฆไปถ้าอยากจะเลิกถึงพระรัตนนาตายก็พุโทโธธรรมโอสังโฆไปก็ได้ขอให้ใจเรามีกรรมฐานเป็นเครื่องผูกใจเป็นเป็นเป็นที่ตั้งของสติสติคือการเราเลิกรู้อย่าให้ไปดูกับความคิด ถ้ารู้กับความคิดความคิดมันก็จะคิดด้วยเปิดไม่มีวันหยุดวันสิน้นถ้าจะรู้กับความคิดต้องรู้ต้องรู้เพื่อหยุดมันถ้าเรารู้แล้วยังหยุดความคิดไม่ได้เราอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าไปรู้ความคิดให้เรามาอยู่กับพุทธโธธรรโมโอสังโฆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสมอย่างก็ได้เราอาจจะสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในขณะที่เราจเจริญสติในแต่ในแต่เราช่วงเวลาบางทีเราอาจจะเบื่อพุทธโธก็เอาธรรมโอบ้างสังโฆบ้าง หรืออาพุทธังสารนังกฉามิทำมังสารนังกฉามิสังคั ง, งสารนังกฉามิบ้างหรือบางเวลาจะนั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ส่วนบทอ e ิติปิโสไปหลายๆรอบก็ได้ก็สําคัญก็คือคอยป้องกันไม่ให้ใจไปคิดเรื่องเง้นเรื่องนี้ น, นั่นเองถ้าเราอยู่กับการบริกรรมได้อยู่กับบทสวดมนต์ได้ความคิดมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตอนต้นมันไม่หยุดคิดเพียงแต่ว่าเราอย่าไปสนใจมันมันจะมาแข่งกับเรา เราพุโทโธพุโทโธมันก็จะแข็งมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปตามความคิดให้ตามพุโทโธไว้ตามคําบริกรรมของเราไปหรือตามบทสวดมนต์ของเราไปทําอย่างนี้ไปทั้งวันไม่ว่าเราจะทําอะไรในขณะที่เราต้องทํางานที่จําเป็นในการเลี้ยงดูร่างกายเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่เนื้อแต่งตัวทําความสะอาดที่อยู่ที่พักรับประทานอาหาร ทำกิจเท่าที่จำเป็นเท่านั้นกิจที่ไม่จำเป็นอย่างอื่นอย่าไปทำโดยเฉพาะกิจ ท, ที่ที่จะต้องใช้ความคิดต่างๆหรืออย่าไปเสบรูปเสียงกิจรถ ด, ด้วยการไปเปิดมือถือดูนูน่นดูนี่ฟังนูน่นฟังนี้เปิดมือถือไปอะไรอย่าไปสนใจกับมันหนึ่งวันขอให้เราตายจากโลกนี้ไปเลยตายจากโลกของกามคุณห้าตายจากโลกแห่งรูปเสียงกิจลดโภชภะ ให้เราอยู่ในโลกของความสงบอยู่กับความว่างด้วยการเจริญสติคอยคอยควบคุมใจไม่ให้ไหลไปกับความคิดต่างๆที่จะทําให้เกิดความโลภความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองถ้าเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องพอเราไม่ต้องทําอะไรเราก็มานั่งเฉยๆล้วก็มาบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไปเดี๋ยวไม่นานใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้จิต ใจก็จะเด่งลงเหมือนตกลงจากที่สูงลงมาวุ้บเดียวไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรน่ากลัวอเหมือนตกลิฟอย่างเงี้ยอยู่ลิฟชั้นสูงแล้วลิฟมันขาดมันตกลงมาวุบลงมาแต่มันไม่มีพื้นกระแทกมันลงมามีเบาะนุ่มๆรองรับอยู่พอลงมาถึงปั๊บมันก็นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขแต่ถ้าในระยะแรกๆเป็นในครั้งแรกๆนี้มันจะอยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้ปป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะถอนออกมาเขาเรียกว่าขั้นนี้เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่ววินาทีสองวินาทีชั่วหนึ่งขณะคณิกะแปลว่าหนึ่งขณะคณิกะสมาธิเป็นเหมือนงูแลบลิ้นหรือฟ้าแลบแต่ความสุขความมห ah, ah, ัศจรรย์ของความสงบนี้มันจะประทับใจมันจะบอกให้เรา รู้ว่าไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขอันนี้เลยตั้งแต่เกิดมนาะไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนถ้าเจอความสุขแบบนี้แม้แต่เพียงแค่เป็นชั่วแวบเดียวก็ตามมันจะทำให้เกิดความติดใจเกิดความยินดีที่อยากจะกลับเข้ามาอีกอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้มีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติในการนั่งสมาธิมากขึ้น จะเพิ่มวันพระเพิ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเริ่มเห็นคุณค่าของการอยู่แบบนักบวชแล้วว่ามันเป็นการอยู่แบบสุขอย่างสบายที่แท้จริงแล้วก็ไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆมาให้วิตกมาให้กังวลเพราะความสุขทางด้านนี้ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้เพียงแต่ว่าขอให้มีเวลาว่าง กับการปฏิบัติและให้มีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกถ้าปฏิบัติที่บ้านนี้มันอาจจะมีรูปเสียงกิ่ลดมีเสียงคนมีอะไรมาคอยบครบกวนใจยอยู่อาจจะทำให้การเจริญสตินี้เป็นไปได้ยากการนั่งสมาธินี้เป็นไปได้ยากถ้าเป็นไปได้ก็ควรไปหาที่สงบตามวัดต่างๆวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติทำ mm hmm. เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวก mm hmm. แล้วก็จะทำให้การเจริญสตินี้ง่ายการนั่งสมาธินี้ง่ายกว่าสบายกว่าเรียกว่าเป็นสถานที่สัปปายะก<ม>ารปฏิบัติที่บ้านนี้มักจะไม่ใช่เป็นสถานที่สัปปายะยกเว้นว่าถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเ<ม>ช่นอยู่ในคอนโดแล้วอยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครมายุ่งยากเราเราก็สามารถทำบ้านของเราให้เป็นวัดได้เป็นสถานที่ปฏิบัติทาได้ ธรรมวัฏก็คือที่สงบสังัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นเปนปัจจัยสําคัญในการที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิสถานที่ต้องสงบวิเวกก่อนใจถึงจะสงบวิเวกตามได้เรียกว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกกายก็หมายถึงสถานที่ที่ร่างกายไปอยู่นั้นต้องสงบสังัดวิเวกเมื่อสถานที่สงบสังัดวิเวกไม่มีอะไรมารบกวนใจ การเจริญสติเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบมันก็จะง่ายกว่าอนอกจากถือศีลห้าแล้วถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกมีวันพระต้องมีเวลาเบื้องต้นต้องมีวันพระก่อนมีวันปฏิบัติก่อนมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติมัมีเวลาว่างแล้วก็ไปหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็รักษาศีลเจริญเนฆามะบาลี วิทิการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็พอไปอยู่ที่คนเดียวก็สงบสงัดวิเวกก็ต้องคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดด้วยการเจริญสติให้อยู่กับกรรมฐานองค์แบบใดแบบหนึ่งอยู่กับพุโทโธก็ได้ธรรมโฌก็ได้สังโฆก็ได้อยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้อย่าให้ใจลอยไปกับความคิดถึงแม้จะมีความคิดเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันเข้ามา เราอย่าไปตามมันเราให้ตามอยู่กับพุโ ท, ทมโธธรรมสังโคไปแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะเบาจะเย็นจะสบายพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะสงบได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องนี่เวลานั่งสมาธิบางทีเพียงห้านาทีจิตก็รวมได้รวมเข้าสู่ความสงบดิ่งลงจากที่จากที่สูงลงมาสู่ที่ที่ต่ที่ข้างล่างมือตกจากที่สูงลงมา การเข้าสมาธิบางทีมันจะเข้าแบบตกหลุมตกบอ่อแต่บางทีมันก็ไม่ได้ตกหลุมตกบอ่อมันค่อยๆขยับมันค่อยๆสงบทียรเล็กเทียรน้อยค่อยจิตค่อ ย, อยเอยอยอยบาลงเบาลงแล้วก็กนิ่งไปในที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเวลานั่งอย่าไปคาดอย่าไปคะเนย์อย่าไปจ้องอย่าไปรอถ้าไปจ้องไปรอมันจะไม่มาเพราะเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธนะเราต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆมันจะมาไม่มานี่เราอย่าไปให้ความสําคัญกับมัน ให้ความสําคัญกับการอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปเพียงอย่างเดียว<ม>ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่จะขออยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง<ม>ถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องไม่แวะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้เดี๋ยวมันก็รวมเป็นหนึ่งได้<ม>พอจิตรวมเป็นหนึ่งก็จะสงบมีความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกับความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรลังสุขขัง สุขอื่นที่มีความสุขเหนือกว่าความสงบอันนี้ไม่มีความสุขที่ได้จากเงินทองไปร้อยล้านพันล้านก็ดีได้ลดได้ตําแหน่งเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีก็ดีล้นเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใจเพราะจะต้องก่อยความยึดมั่นถือมั่นอยู่ความวิตกอยู่ความรักความก่อยความรักความหวงความห่วงขึ้นมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนี่ ไม่มีความยุติไม่มีความโลภความหลงความอยากความรักความหวงความห่วงเลยเป็นใจที่ว่างสงบเย็นสบายมีอย่างเดียวก็คือมีอุเบกขาใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอะไรทั้งนั้นตอนนั้นถึงแม้จะได้ยินได้ได้ยินอะไรหรือสัมผัสเก่าอะไรก็จะเฉยเฉยไม่รู้สึกจะมีความยินดียินร้ายกับอะไรใครจะชมใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อน ถ้ามีความสงบแบบนี้เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆจิตยังจะมีความสงบติดมามีโอเบกคาติดมาอยู่เวลาไปได้สัมผัสกับรูปเสียงกิริยลดในรูปแบบใดก็จะเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยให้เข้ามาปล่อยให้เข้าไปใครจะพูดดีก็ปล่อยให้เขาพูดไปใครจะพูดไม่ดีก็ปล่อยให้เขาพูดไปเราจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปตอบโต้เขาแต่อย่างใดเพราะเรามีความสุขในใจของเราแล้ว การที่เราไปตอบโต้เขาก็เพราะว่ามันทําให้เขาพูดแล้วทําให้เราทุกข์เราต้องไปดับความทุกข์ด้วยการไปตอบโต้เขาแต่แทนที่จะดับความทุกข์มันกลับไปสร้างความทุกข์เพิ่มมากขึ้นด้วยการด้วยการว่ากันกลับไปกลับมาเพิ่มมากขึ้นไปเสียอีกวิธีดีที่สุดก็คือเฉยๆไปทำใจให้เราสงบเป็นอุเบกขาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเรามีความสุขในตัวของเราแล้วใครเขาจะชมใครเขาจะด่าเราก็ มันก็ไม่สามารถมาทำลายความสุขที่มีอยู่ในใจของเราได้เราก็เลยอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องตอบโต้นี่คือขั้นของสติขั้นของสมาธิที่จะทำให้ใจเราสงบเป็นพักๆไประงับกิเลสตัณหาเป็นพักๆไปแต่ยังไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเราถ้าเราไม่เจริญสติรักษาใจ กิเลสตัณหาก็อาจจะโผล่ขึ้นมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับเราได้สร้างความอยากในสิ่งต่างๆถ้าเราอยากจะกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจเราก็ต้องมาปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาปัญญาก็จะสอนให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทํำไมถึงเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเช่นอยากจะมีแฟน เวลาได้แฟนก็มีความสุขเดี๋ยวเวลาเลิกกันความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่เวลาได้เงินมาก็มีความสุขเวลาเงินหมดก็กลายเป็นความทุกข์ไปให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะมันจะจบลงด้วยความทุกข์ด้วยน้ําตาถ้าเราไม่อยากถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นของเรา ให้มันให้ความสุขกับเราไม่ได้ตลอดเราก็จะได้หยุดความอยากต่างๆได้นี่คือปัญญาต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอันนี้คือปัญญาถ้าเราสามารถาระงับดับความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจเราก็จะหายไปหมดเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาลงหรืออยู่ในใจใจเราก็เบลอสดผุดผ่องขึ้นมาเรียกว่าใจที่เป็น วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือพระนิพพานนี่ใจที่เป็นนิพพานขึ้นมาใจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้แหละเป็นวิธีของนักบวชของการหาความสุขแบบนักบวชเพื่อจะได้ยุติปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างถาวรเกิดจะยุติการปัญหาที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองแล้วก็ สร้างความสุขกันมหัสัจจรใจให้อยู่ในใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดคือความสุขของพระนิพพานบรมมลมสุสุใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ใจของพระหลานตสาวูกตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในนิพพานอยู่อยู่ยังมีความสุขไปเรื่อยๆจนไม่มีวันสิ้นสุดลงไปท่าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราอีกต่อไปพวกเราตายไปพบนี้แล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ มาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่มาเจอปัญหาต่างๆที่เราเคยเจอใหม่อยู่ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติจนกว่ารเราจะสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเป็นความสุขของผู้คลองเรือนมาเป็นความสุขของนักบวชได้และปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วศีลสมาธิปัญญาให้ได้เต็มร้อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องราวของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือความสุขของผู้คองเรือนและความสุขของนักบวชก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวมีวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปัทิตางตุมหังคิดว่เมวัสมิจะตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวะจันตุสัพคโรโควินะสตุ มาเตภวะตวันตระโยสุขีทีฆายุโกผวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรร ม, มาวาทานเตอายุวันโอสุขังหาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะถามตอบกันได้ที่สะดวกพอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้ตอบตอนนี้มีคำถามมีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่รีนพะาจยานค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติสามร้อยสิบสี่ท่าน u t u b e พระสุชาติ youtube ยูทูบทรัชชูชานไลฟ์สามยูทูบดร์วีิวิทยุออนไลน์14คลับเฮาส์4กุหนร้ากิบห5รวมทั้งหมด853ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังนากุดค่ะข้อแรก การให้โดยการไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช้หรือไม่เจ้าคะเพราะถูกสอนมาว่าให้ขอจากพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทําบุญคือการให้เพื่อชนะความตเน่ชนะความโลภอย่างได้เงินทองเข้าของต่างๆนั้นเราไม่ต้องการอยากมีความโลภจากการให้เราต้องการสลัดความโลภเราก็เลยไม่ต้องการอะไรจากผู้ที่เราให้เขาไป อยากจะให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนอยากจะให้เขามีความสุขเท่านั้นเองส่วนเขาจะขอบใจเราหรือไม่หรือจะให้ของตอบแทนหรือไม่อันนี้เราไม่ไม่หวังไม่ต้องการแต่ถ้าเขาให้เราก็รับไว้ไม่เสียมารยาทบางทีเขามีของอะไรอยากจะตอบแทนน้ำใจเราเราก็รับเอาไว้แต่เป้าหมายของเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะไปรับะายจากเขาเราต้องการเสียสละแบ่งปัน เพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขใจที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วคําถามข้อถัดไปค่ะศีลข้อหนึ่งถ้าเราทําผิดเช่นเราฆ่าคนเราต้องไปชดใช้กรรมทุกชาติภพที่เราไปเกิดไม่ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะมือ น, นี้เราก็พูดไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของ เรื่องอนาคตรเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าท่านนั้นที่จะรู้รายละเอียดได้ก็ให้รู้แล้วกันว่าทําสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราถ้าเขาเขาจะกลับมาฆ่าเราหรือเราจะต้องถูกฆ่าเพื่อใช้กรรมของเราในภพต่อไปคําถามจากหน้ากูดคะ่ะข้อที่หนึ่ง เราควรทําอย่างไรดีในเมื่อตัวเราเองเถียงพ่อแม่แล้วยังทําอีกควรทาอย่างไรดีครับลงโทษตัวเองสิเวลาทําอะไรผิดก็ไปถ้าเราชอบทําอะไรก็งดทําในสิ่งที่เราชอบหรือบางครั้งให้มันอดข้าวเย็ยนบ้างก็ได้ลงโทษตัวเราเองมันจะได้เข็ดลาบถ้าเราไม่ทําการลงโทษตัวเราเองมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกสํานึกผิด นก็แต่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการแก้ไขเพราะไม่มีโทษเขาต้องมีคุกตารางไว้สำหรับคนที่ทำผิดให้ไปใช้โทษในคุกในตารางพอเห็นว่าทำผิดแล้วมันไม่ดีต่อไปก็จะได้ไม่กล้าทำอีกข้อที่สองค่ะ ถ้าพ่อกับแม่สั่งเสียไว้ไม่ต้องจัดงานศพให้เผาเลยเราต้องทำอย่างไรดีคะเพื่อไม่ให้ผิดต่อพ่อแม่และคนในครอบครัวคะ่ะคือถ้าเราทำตามได้ก็ทำไปแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเขาอยากจะให้จัดงานก็ต้องปล่อยไปอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปมีเรื่องมีราวกันมันไม่เป็นเป็นประเด็นสำคัญอะไรจะทำก็ได้ไม่ทาก็ได้เพราะมันไม่ได้ทำให้คนตายดีขึ้นเนือได้บุญมากขึ้นใดอย่างไร อยู่ที่คนเป็นฮะที่จะได้บุญหรือได้บาปถ้าทำถ้าทําก็ได้บุญถ้าไม่ทะเลาะกันก็ก็ไม่ได้บาปถ้าทะเลาะกันมันก็ได้บาปได้ความไม่ดีได้ความรู้สึกไม่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะสั่งไว้ก็ตามแล้วถาเราสามารถจัดตามที่เขาสั่งได้ก็จัดไปแต่ถ้ามีฝ่ายอื่นเขาจะต้องการให้ทําอย่างอื่นก็ คุยกันดูก็แล้วกันว่าจะตะลงกันได้อย่างไรแต่อย่าไปมีเรื่องมีราวกันคำถามจากทาง Yuu t e ูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลามีปัญหาคาใจในบางเรื่องให้ปล่อยวางการปล่อยวางไม่ให้ใจคิดต้องใช้วิธีอย่างไรคะก็ไม่คิดเดี๋ยวสิพอจะคิดถึงมันก็พุโทโธพูโทโธหยุดมันไปเดี๋ยบอกว่าคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆพราะหาคาตอบไม่ได้ เวราให้ถึงเวลาคําตอบมันก็มาเองหรือถ้าเราลืมไปแล้วก็ได้บางทีอยากจะถามเลยพอถึงเวลาจริงๆไปเจอคนที่อยากจะถามลืมไปซะแล้วก็ได้อย่นไม่ต้องไปกัวงวลกับมันมากเกินไปถ้ายัางหาคําตอบไม่ได้ก็ปล่อยให้มันผ่านไปก่อนคําถามสักทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการนำพระเครื่องไปขายเพื่อนําเงินมาใช้นั้นจะบาปหรือไม่ครับ ไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นแค่สินค้าชนิดหนึ่งเหมือนตุ๊กตาของเล่นอะไรทานองนี้ถ้ามีการมีตลาดที่ก็ต้องการจะซื้อขายไปก็ไม่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจิลธรรมคะำคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะการพิจารณาดินน้ำลมไฟเป็นสมถาภาวนาหรือปัญญาภาวนาเจ้าคะเป็นปัญญา คำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าโยมไปตลาดกับพี่สาวช่วยเขาถือของแล้วพี่สาวสั่งฆ่าปลาโยมจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปแล้วคนคนสั่งกบาปคนข้าก็บาปแต่คนที่ไปช่วยห้วของให้วของนี่ไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปมีส่วนร่วมกับการค่าของเขาคำถามจากทางอิน o x ค่ะ ข้อแรกขันห้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นสัจจะความจริงใช่ไหมคะอ้าวร่างกายเราส่งนึกทุกข์อ่ะเวลาปวดหัวนี่มันส่งก็เปล่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันส่งก็เปล่าข้อที่สองที่ขันห้าเป็นทุกข์พ่อตกอยู่ใต้ไตรรักษ์ใช่ไหมคะใช่มันเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายกฎของตายละไม่มีอะไรเจริญนัสไม่เสื่อม มีเกิดมีเจอแล้วก็ต้องมีเสื่อมตามมาเวลาเสื่อมมันก็จะเกิดความทุกข์กต่างตามมาข้อสุดท้ายสิ้นสุดปลายทางของการรู้ทุกข์คือให้เห็นถึงไตลรลักษณ์ของขันห้าใช่ไหมคะคือให้ดับความทุกข์ไม่ได้ไปดับขันห้าขันห้าไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ตัวที่ทําให้ใจทุกข์คือความอยากให้ขันห้าไม่ทุกข์ไม่ให้ทุกข์กับเราแต่ขันห้ามันก็ต้องให้ทุกข์กับเราตามธรรมชาติของมัน เราสามารถอยู่กับความทุกข์ของขันห้าได้โดยทีไ่ไม่เกิดความทุกข์ใจด้วยการระงับความอยากของเราที่อยากจะให้ขันห้าไม่ไม่ให้ความทุกข์กับเราคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ โยมได้ยินมาว่าครรว่าถือศีลห้าจะพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดใช้วาจาหยาบยังไงก็ได้ไม่ถือว่าผิดศีลเพราะศีลข้อสี่แค่ไม่โกหกไม่พูดเท็จก็พอแล้วถ้ารักษาศีลแปดค่อยเพิ่มในส่วนงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดใช้วาจาหยาบความคิดเห็นนี้ข้อเท็จจริงมากน้อยอย่างไรคะคือในศีลห้าศีลแปดก็ไม่ได้ห้าไม่ได้ห้ามให้พูดเพ้อเจ้อพูดคําหยาบเพราะว่ามันยังเป็น คาราวานผู้คองเรือนรักษาอยู่ยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลที่ละเอียดได้แต่ถ้าเป็นนักบวชนี่ยเขาจะห้ามไม่ให้พูดคำยาพูดเพิเจอร์พูดสาเสีย ด, ดคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะถ้าคิดเรื่องความตายแล้วทำให้การอยากได้อยากมีหายไปหมดคิดแบบนี้ผิดทางโลกอย่างนี้ผิดทางโลกขอโทษนะคะ คิดแบบนี้ผิดทางโลกถูกทางธรรมใช่ไหมคะ ก, ก็เห็นว่าทางโลกมันเป็นทุกขนะ์้งเห็นทางธรรมนี่เป็นทางที่สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คำถามจากทางเฟซบุกค่ะ ก่อนนั่งสมาธิต้องมีสติก่อนพอกาหนดสติแล้วนั่งจิตก็ยังฟุ้งคิดไปหลากหลายแล้วก็ดึงกลับมาภาวนาต่อด้วยยุบหนอพองหนอแล้วจิตฟุ้งอีกแบบนี้เรื่อยๆต้องทำอย่างไรเจ้าคะต้องฝึกสติก่อนมานั่งต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยถึงจะสามารถคุมจิตไม่ให้ฟุ้งได้ คำถามต่อไป ค, อค่อนข้างยาวนะคะก็จะขออนุญาตสรุปใจความสั้สนๆนะคะก็คือว่าคำถามจากทาง Facebook ค่ะมีท่านผู้หนึ่งถามว่าฝันว่าคือเรียนตัวเองเรียนเป็นเชฟอะคะ่ะฝันว่ามีงานกลุ่มต้องเตรียมปลาทับทิม มีปลานอกเขียงสองตัวแล้วเกาะใต้ก่อนมาบนเขียงมีปลาตัวหนึ่งเหมือนตายแต่มีคนบอกว่ายังไม่ตายในใจไม่คิดจะฆ่าหันปลานั้นเลย <S <S> <S ก็เลยตั้งใจจะช่วยชีวิตให้ปลาแล้วก็ตื่นตอนพอตื่นมาก็มีความรู้สึกอิ่มใจว่าเราไม่มีคิดไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนชีวิตคําถามคือว่าที่ฝันนี้ คือจิตใต้สำนึกสะท้อนภาพจิตของเราหรื อ, อะสะท้อนภาพจิตของเราหรือคะหรือเป็นกุศ ล, ลนิมิตเป็นอนิสงค์ของจิตเราที่มักเมตตากรุณาปกติตอนตอนตื่นถ้าช่วยชีวิตคนหรือสัตว์ได้จะไม่ดังเลรีรอจะรีบช่วยทันทีอ น, นิสงค์เหล่านี้จะช่วยให้มีพะรตนาตายเทวดาคนดีมาคุ้มครองช่วยเหลือเราในยามขับขันทั้ง ทั้งทางโลกและทางธรรมตรับกระทั่งบรรลุนิพพานหมคะก็เป็นเป็นความคิดที่ดีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปวิบากกรรมที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่มีตามมาตอนนี้ยังไม่มีคำถามใหม่คะเวลาที่เราฝันนี่มันเป็นเหมือนกับการบอกว่าจิตของเราเป็นอย่างไร ถ้า เ, าเราฝันแล้วเราไม่ฆ่าอย่างเงี้ยไม่ขโมยอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าจิตเรามันเป็นแบบนี้เวลาเราเจอข้อสอบในเวลาที่เราไม่ฝันเราก็มักจะทําตามที่เราฝันคือเราก็จะไม่ฆ่าไม่ขโมยแต่ถ้าเราฝันว่าเราฆ่ายังฆ่าอยู่ยังขโมยอยู่อย่างเงี้พอเวลาในชีวิตจริงเวลาตื่นขึ้นมาเจอเหตุการณ์ที่จะทําให้เราฆ่าหรือขโมยเราก็ยังจะฆ่าและขโมย แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปเรายัางสามารถที่จะแก้ได้ถ้าเรารู้ว่าการฆ่าการขมโมยไม่ดีเราก็พยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆฝึกสติอยู่เรื่อยๆสร้างเฮลิโอตปะขึ้นมาให้ละอายในการกระทาความกรรบาปว่าการกระทำบาปนี้ทำให้เราเป็นคนไม่ดีไม่น่ารักไม่น่าเคารพนับถือ mm hmm. แล้วก็มีมีโทษตามมาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย mm hmm. อันนี้ก็เป็นการฝึกสอนใจไปในตัวเพื่อเราจะได้แก้แก้นิสัยเดิมที่ยังฝังอยู่ในจิตที่ยังชอบฆ่ายังชอบขโมยอยู่แล้วพอถึงเจอเหตุการณ์ขึ้นมาเราสามารถหยุดได้หยุดการอยากจะขโมยอยากจะฆ่าได้เราก็จะเปลี่ยนสภาพจิตของเราไปในอีกทางหนึ่งคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ยมรู้จักคนที่เล่นหวยท่านหนึ่งท่านเล่นหวยมานับสิบยี่สิบปีเล่นแล้วถูกมากกว่าเสียเงินที่ได้มาก็แบ่งไว้กินใช้อีกครึ่งไว้ทำบุญการเล่นหวยแบบนี้จัดเป็นสัมมาอาชีพได้ไหมคะผิดศีลห้าไหมคะถ้ากำาไรก็ถือว่าเป็นสัมมาอาชีพได้ถ้าขาดทุนก็เป็นมิจฉาก็<笑><笑>อย่าไปทำก็เห <laughs> มือนกับการไปเล่นหุ้นไปซื้อหุ้นก็เหมือนกัน ถ้าซื้อแล้วกำไรก็เล่นไปซื้อไปเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วกำไรได้ดอกเบี้ยก็ฝากไปถ้าไปฝากเงินธนาคารแล้วเจ๊งธนาคารเจ๊งองนี้ก็อย่าไปฝากก็ดูที่ผลลัพธ์ว่ามันได้กำไรหรือขาดทุนถ้าจะทำอะไรต้องใช้ใช้หลักเหตุผลใช้สติใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์าใช้ตามอารมณ์นี้มันอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้หมดแล้วเหรอ ม, มีอีกคำถามหนึ่งจาก Facebook ค่ะถามว่างานศพเป็นพิธีการใช่หรือไม่คะจำเป็นไหมที่จะต้องจัดจะต้องมีงานศพค่ะคืองานศพก็มีเพื่อจัดการศพนั่นเองเราไม่สามารถปล่อยให้ศพเน่าเหมือนกับศพของสุนัขได้คนเราก็เลยให้เกล็ดด้วยการเอาไปเผา นี่ก็ถ้านับถึงศาสนาพุทธเราก็เลยถือโอกาสทําบุญให้กับคนตายด้วยแล้วคนที่คนเป็นด้วยเพราะเวลาเราทําพิธีเราก็ต้องมีการนิมนต์พระมาแล้วเราก็มีการบริจาคเงินทองให้กับวัดให้กับพระไปเงินทองที่เราบริจาคไปก็เป็นทานเราก็ได้บุญได้กุศลแล้วเราก็สามารถแ บ, บ่งบุญกุศลที่เราได้นี้ไปให้กับผู้ตายด้วย แต่ถ้าเราไม่จัดก็ได้เราก็จะไม่ได้บุญไม่ได้กุศลไม่ได้ทําบุญทำทานก็เพียงแต่เอาไปเผาเอาไปฝังหรือเอาไปทิ้งน้ําแล้วแต่จะจัดการอย่างไรร่างกายของคนก็ไม่ต่างกับร่างกายของสัตว์ที่อยในป่าสัตว์ที่อยู่ในป่ า, า, ปาเวลามันตายไปมันก็ไม่มีใครไปจัดการนอกจากถูกสัตว์อื่นเอาไปกินทนะันหนึ่งแล้งกาลไปกินต่อสมัยพุทธกาลเขาก็มักจะเอาศพคนตายนี้พันผ้าไว้แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้า ปล่อยให้สัตว์ต่างๆมามาแทะมากินไปคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะโยมอยากปฏิบัติข้ออุเบกขาแต่ยากมากๆมีเคล็ดลับที่จะหลุร่วงข้อนี้บ้างไหมคะมีอะไรนะที่อยามีเคล็ดลับที่จะหลุดวงข้อนี้นค่ะปิเสิเยอะๆสะติเนี่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขา ถ้ามีสติแล้วใจก็จะไม่คิดเมื่อไม่คิดมันก็จะไม่มีความรักชังโกหลงตามมาพยายามฝึกสติบ้างๆแล้วนั่งสมาธิบ่อยๆพอจิตสงบจิตก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาวิธีเดียวเท่านั้นเองที่จะทำให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาได้คำถามจากทางเฟซบุ๊ก ค, ค่ะ การดูแลบุพการีเป็นการแสดงกตัญญูแต่ถ้าบุพการีอารมณ์ไม่ดีจะทําอย่างไรรู้สึกว่าทําบุญเหมือนการทําบาปค่ะไม่บาปหรอกเพราะความไม่ดีของบุพการีไม่ได้มาลบล้างความความมีพระคุณของท่านกับเราท่านก็ยังมีพระคุณกับเราอยู่ถึงแม้ท่านจะไปฆ่าคนตายติดคุกก็ตามท่านก็ยังมีบุญคุณกับเราอยู่ บุญคุณนี่ไม่ได้ถูกลบล้างด้วยการกระทําไม่ดีของท่านแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยังทดแทนบุญคุณท่านอยู่ถ้าท่านไปติดคุกติดตารางเราก็ต้องไปส่งน้ําส่งข้าวไปเยี่ยมดูสารทุกข์สุขดิบไม่ใช่ถือว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเราต้องไม่ถือเขาเป็นพ่อแม่แล้ ว, ลวอันนี้ไม่ถูกต้องพ่อแม่ยังไงก็ต้องเป็นพ่อแม่อยู่เพราะเราไม่สามารถย้อนกลับคืนไปไม่ไปเป็นลูกไม่เป็นพ่อแม่ได้ ต่อกันได้ถ้าอยากจะย้อนกลับไปก็ต้องไม่มาเกิดในท้องเขาเท่านั้นถึงจะไม่มีบุญคุณต่อกันถ้ามาเกิดในท้องเขาแล้วเขาเลี้ยงเราดูเรามาจนกระทั่งเราโตอยู่มาได้จนทุกวันนี้บุญคุณเหล่านี้ลบล้างไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามขออนุญาตค่ะเมื่อกี้หนูอาจจะอ่านคําถามไม่ชัดเจนค่ะคือหมายความว่าเขาดูแลบุพการีแต่บุพการีมีอารมณ์ไม่ดีค่ะ ก็เรื่องของเขาไงไม่ใช่เรืงของเราเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนเป็นการทําบาปไม่แน่ใจว่าเขาถ้าไปโกรธเขาก็บาปถ้าไม่โกรธก็ไม่บาปคําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะจําเป็นไหมคะเมื่อปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆต้องรู้ระดับขั้นสมาธิของเราว่าอยู่ขั้นไหนแล้วไม่ต้องดูหรอกมันมันจะบอกเราในตัวเองว่าเราสงบมากสงบน้อย มีอูเบขามากอูเบขาน้อยไ ม, ไม่ต้องไปคอยดูหรอกมันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในใจของเราหมดแล้วใช่ไหมค่ะยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะก็เอาครัน้นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถอ